เป็นการละลุกชาติของตนเองได้เป็นการรู้กดแห่งกรรมจากการกระทาของตนได้สามารถจะรูก้การแก้ไขปัญหาชีวิตได้สามารถจะแก้กรรมเก่าสามารถจะแก้กรรมปัจจุบันได้และสามารถจะแก้ปัญหาที่เกิดในปัจจุบันได้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 แต่ส่วนอัตมาเนี่ยเป็นชายบวชตามพระธรรมวินยัยถึงมาในพระปฏิโมกษสองรยี่สิบเจ็ดเป็นบทห้ามทั้งหมดไม่ใช่ศรีมาเข้าใจว่าพระศรีมากแต่ข้อห้ามนั้นมากไม่มีใครจะบวชได้อย่างพระเป็นผู้ชายคือพระธรรมวินยัยแต่พระพิสูรลูกได มีธรรมะประจําใจก็จะมีวินัยเรียกว่าธรรมะวินัยถ้าไร้ธรรมขาดวินัยขาเทตุขดผลอันนี้ถูกต้องเป็นคําตรงถ้าพระปิจูใดคขาดธรรมะขาดใจศึกขาสามศีลสมาธิปัญญามาได้ท่านจะไม่มีวินัยเลยท่านจะไม่มีระเบียบท่านจะไม่เรียบร้อยจะไม่มีแผนมีผัง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 ตามสังคมของชาวพุทธหาได้เป็นคนใจใสใจสะอาดบริสุทธิ์ไหมคนที่บรรุชาติเนี่ยคือตัวเองบรรลกตัวเองได้ว่าตัวเองมาปฏิบัติใจศีกขาสามเกิสินสมาธิปัญญานเนี่ยคือตัวกรรมฐานาตัว้าปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วจะนึกตัวเองไม่ได้จะยิงขยองจ้องของ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 เป็นความคิดที่ไม่มีสักดรีนาฏของกุ่มสัตวตระยุยบุรุษบุรุษเพศแต่พระปิสุนี้เป็นบุรุษเพศเป็นเพศที่เป็นบุรุษที่ต่างจากคารวะมากหลายก็แยกกันไปอย่างนั้นเป็นต้นมีความหมายอย่างนั้นเรามาเจริญกรรมฐ า, ามต้องการมาสร้างธรรมะ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 ปฏิบัติมากก็มีที่ถีมากปฏิบัติน้อยมีท่ถีิน้อยไม่ใช่ทางตรงขององค์พระพุทธองค์ขององค์รององพระสวสัมมาสัมพุท ธ, ธะแน่นอนที่ถูกพระพุทธเจ้าสอนกลงแล้วสอนชัดเจนแต่เราไปตีความมึงท่านผิดแต่เอาแต่เอาจริตของสอนเองเอามาใช้มันไร้สาระไม่ไม่มีประโยชน์ในตนแต่ประทานได้ออกมาอย่างนี้เลยนะ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 ลูกมีสามคนก็มาเรียนหนังสือหนัหาได้เงินเดือนก็ไม่พอจะใช้จะจ่ายแต่ไม่เคยคิดถึงพ่อเลยนะไม่มีความระลึกถึงพ่อแต่แต่นั้นขาดเันเลยแต่พ่อก็ตักเวียตะกายไปทามาให้กินเลี้ยงลูกเมียใหม่เมียเก่าตายไปแล้วแล้วก็ลูกก็มีหลักฐานกันไปยยากจนทั้งนั้นไม่มีคนเป็นคนมีจะตุ้งกระตางลำรวยแต่ประการใด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 เริ่มมาเจริญกรัมาฐานก็ลึกชาติได้เป็นอันดับสองจาก ล, ลึกชาติของตัวเองมีสติเข้าก็ลึกถึงพ่อมีชัมมัญญารู้ตัวเข้าก็นึกถึงแม่แม่จ๋าตายไปแล้วก็ไม่เคยไปทำบุญให้แม่เลยลืมแม่ลืมพ่อแน่นอนที่สุดการเจริญกรรมาฐานทาให้ลึกชาติิ้งแม่ิ้งพ่อได้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 ก็เล่าให้ฟังว่าผมเอาเทียนแพร่หอไปก็ไปบ้านเดิมถามมันเหนือมันตายบอกว่าพอผมไปอยู่ที่ไหนก็บอกโน้นย้ายไปตำบลโน่นน่ะไปอยู่อะไรเฉาอวดหรืออะไรอำเภออะไรจําไม่ได้สามดาเนี่ยมันมนานแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นบาปก็เล่าให้ฟังย้ายจากตรงนั้นไปอยู่อำเภอหนึง่งก็ไปได้ภรรยามีมีลูกมีบุทที่ดาวสามคนเล็กๆสองคนพ่อเมีย ก, ก็ไปปริยญา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 มันนานปีแล้วสองพันห้าร้อยจุดสอง้เบ็ดโน่นต่ังลือโบสโบสถมันพังสร้างปีหกเดือนโบทหลังนี้เสร็จนี่โบสธนารายมหาลาศอันนี้สากฤิตมากการทาดีด้ดีทําชั่วเดชัช่วเห็นชัดเลยเนะอโบสพนายมหาลาศน โ, โบสถสดท่านมีศิลาจารึกฝังไว้นในท่านข้าประธานอันนี้เนี่ยเราจงึงรูประวัติเหตุการณ์ในโบสนี้ได้ เป็นวัดเก่าแก่ข้างกรุเทียโยธยาและจตห์ดีมีมานานแล้วมีมานานแต่ไม่มีของเก่าให้ท่านดูแล้วแต่ของใหม่ตลอดการในร้อยโทรมาบวชปูยปยปย่ยีปู่ยามกับปู้หญิงหญิงเลียเขา่าเมียเขา่าหัวเขา้าเท่านั้นกามาก็บอกว่าหนวดขอบิญญ บ, บาตเลยอย่าไปปูย่ยีปู่ยามเลยผมไม่เชื่อบุญบาปไม่เชื่อแน่นอนก็เหตุดาย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 เอาล่ะไม่เป็นไรไม่เชื่อไม่เป็นไรหวดแล้วไม่เอาไหนเลยเขาทำวัดการก็ไม่มาทำไปไปนั่งดูลูดโป๊ะเรก็บอกไม่ได้นะหมวดถต่หากว่าเราไม่เกรงใจแม่เขาเราจะลายศึกพอโบรมราชานุวะญาติมาร้0ยยี่สิบวันเป็นใน100ร้อยโทนักเรียนใน100ร้อยจอบลอและภรรยาก็เป็นอาจารย์สอนตุลาด้วยอันนี้มันเป็นภาพจตของประวัติศาสตร์วงประทับ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 ในเวลาการต่อมาเขาพาลากลับไปลูกกลับมาหมดสามคนแล้วก็พามาที่วัดนี้พอพามาแล้วถามว่าแดงทําไมหนูบอกว่าดินไม่กลรดหน้าจะไม่กลับมาจะกลับมาทําไมเล่ากลับมาทําไมเขาเล่าให้จำมาฟังว่าวันที่แาดลูกเขาสามคนอยู่หูวหินบ้างอยู่แยกกันหากินคิดถึงพ่อกับแม่เวลาเดียวกัน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 มาชำาระชมาคีสร้างความดีในกรรมาฐานโดยถุนากาันจงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรในคุณธรรมนี้ขอ ง, งอกงามไพ่บูรในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยถุนาตันขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันณะถูขาภละปฏิภาณขณะฌานจมบัติ นึกทฤษจึงนึงประการได้ชมความหมาตตานาด้วยการทุกขรุกทุกนามณโอกาบัตรนี้เทินชาปโลข้าวินิมมตตสัพบาสันก า, าวาลิโตสัพอาเวรรมาติ การตนเมียนหุตตนจากตุวันเมียนยยตุสัมวนจาตุมาต เทเรณะเมญจางวนชาปัญโนจันตารโธรรมวันชาปิอายุวันนนสุขันอาลังกาปพุทธานุวาเรนะสัต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 จา t ตูราเซนเตสหัสจากธรรมขันธ์การเวนะปิตาการกานุภาเวนะจินทร์ธรุภาเวนะสัตเอเตโลสัตเตเตภยชา เทวตยานายาจพยนต